เรื่องให้ทานหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับหญิงคนหนึ่งว่าน้องหญิงเธอเป็นคนมีศรัทธาจะถวายทานอันเลิศแก่พวกอัตมาบ้างไม่ได้หรืออะไรเจ้าคะภิกษุนั้นตอบว่าเมทุนธรรมแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่เก้า